กราเรามาพบกันเนืย่ยเกี่ยวกับการทำบีในทำบีในทาให้เราได้โอกาสพบกันตามการตามเวลาและใช่เราพบกันด้วยหลวงพ่อหลวงตาอาจารย์ที่ไหนทำบีในต่างหากที่ทําให้เรามาสู่ที่นี่ได้ก็เป็นอันเดียวกันหลายชีวิตก็มา เท่าเช่นเท่าสายํำมาเพราะคนความดีในพุทธศาสนาะก็ทาให้นายนำเราเข้ามาสู่อาวาสสู่กรรมพิธีเพื่อหล่อหลอมชีวิตจิตใจเราแล้วก็ทำให้เราเป็นคนคนเดียวกันด้วยและความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์เหมือนกัน มีสติเหมือนกันทำลายความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันมีเมตตากรุณาเหมือนกันมีการแห่ไปเหมือนกันก็เป็นคนเดียวกันเลยแค่เอื้อมมือการทำอย่างนี้ไม่มีอะไรมาต่อรองพวกเราเลยไม่มีละทิศนิการเพี้ยไปอะไรต่างๆจากไหนมาก็คือมนุษย์ทั้งนั้น ความเป็นมนุษย์ความเป็นอันเดียวกันนี่มันทำได้มไม่ใช่สัตว์ดิราชานไม่ต้องมีการต่อรองล่องเรียดอะไรมากมันก็อยู่กับเราแท้ๆเช่นเราโกรธเราก็เปลี่ยนมาความไม่โกรธซะเอื้อมมือจริงๆวันทุกเราก็เปลี่ยนเป็นตัวไม่ทุกษะก็เอื้อมมือจริงๆมันหลงก็รู้สึกตัวเปลี่ยนซะมันก็เอื้อมมือ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 กันพูดกันเรื่องนี้อยู่ด้วยกันแบบนี้เข้าแบบเข้าพิมพ์แบบนี้มันก็จะเกิดเป็นแบบฉบับไม่ใช่แบบแผนแบบฉบับไปเลยจะอยู่ชาติใดภาษาใดประเทศใดโลกอันไหนก็ตามคือคนเรามนุษย์นี่เป็นเป็นสิ่งที่ประเสริฐอัศจรรย์ทำไว่ไหนนี้ไม่ใช่ไปเป็นลิธิปฏิหารกับหลวงพอ่อหลวงตาองค์ใดเลยทําไม่ในต่างหาก ถ้าเป็นคนดีเราเล่าความชั่วเราทํากิจให้บริสุทธิ์เขาก็ไปไหนก็ไปได้อยู่ไหนก็อยู่ได้อะไรก็ได้เป็นอาชีพอะไรก็ได้ถ้าเรามีสติมีสัมผัญญะพร้อมที่จะเละความชั่วพร้อมที่จะทำความดีพร้อมที่จะทํากิจให้บริสุทธิ์แม้ว่ามีสามทวาร มีกายมีใจมีวาจาแล้วก็อยู่กับเราเอากายมาทำความดีเอาใจมาทำความดีเอากายมาพูดความดีใช้ได้ทันทีมันพร้อมมันใชอได้เหมือนหลดไฟเมื่อมันพร้อมก็ใช้ได้พร้อมใช่ไปใช่ที่ตรงไหนก็กายก็ใจก็าวาจาของเราเนี่ย ไม่เหมือนวัตถุสิ่งของกันอื่นเลยว่าน่าเจมีปัญหาอะไรในโลกนี้ในตัวเรานี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยแด่ยังมีวิธีเรื่อง น, นี้อย่างสมบูรณ์แบบในพระสูตรก็สอนไว้ที่เราสาธยายทาวัดเช้าทาวัดเยน็นในพระสูตรนั้นมีตำราเอามาเป็นพิธีกรรม ก็ใช้ได้งดงามวิธีกา ร, รนักบวชเป็นภิกษุก็แบบนี้พิธีกรรมของขบราชกบาลิกาเป็นแบบนี้ที่เป็นสถานที่ก็เป็นแบบนี้เป็นแบบฉบับไม่เหมือนมิกซี่โรตัสโรงแรมหรือโรงลครอะไรก็เป็นแบบนี้เหมือนกับเราเข้ามาสู่แบบฉบับแบบพิมพ์เขาออกมาเป็นรูปแบบนี้กันคําพูดแบบนี้ กายแบบนี้วาจาแบบนี้สียาแบบนี้น้ำใจแบบนี้เราไม่ต้องประกาศไปปิวอะไรไปไหนเราพวกเราก็เป็นเส้นเป็นสายมาแบบนี้กันแล้มันก็มีเส้นที่ไปไม่ถูกเหมือนกันไปสู่นรกก็มีทางไปเหมือนกันไปสู่มรรคผลก็มีไมทางเหมือนกันเราเนี่เหมือนกันอยู่ยืนอยู่ทางสแพ่ง ทางหนึ่งไปอาบายภูมิคือสัตวโลกเดือดฉันเปิดสุโลไก่ก็ไปได้ถ้าอยากจะไปเอื้อมือเหมือนกันชิดชั่วทำชั่วผู้ชั่วไปได้ทันทีไปสวรรค์ก็ไปได้เหมือนกันคนไปสวรรค์้ผ่านคือคนมีศีลพวกเราเน่กำลังจะไปสวรรค์นผ่พันมีศีลแล้วความชั่วทางบุดีทางบุญแนทาน ทานามัยศีลละมัยภาวนาใหม่สักขะตลอดถึงเนกขมะเมื่อมีทานมีศีลมีภาวนาก็มีสวรรค์เมื่อมีสวรรค์ก็มีข้ามสวรรค์ไปอีกแต่ ว, ว่าเนกขมะอุบายออกบวชบวชทางใจไม่ต้องเอาอีกสวรรค์ก็ไม่ต้องเอาสุข ก, ก็ไม่ต้องเอาทุกข์ก็ไม่ต้องเอานือยสุขหนือยทุกข์จึงจะปลอดภยัดวยแต่ว่าเนกขมะนิสังสักกถา เนคขมะตามรูปแบบก็มีพระสงฆ์ก็แบบนี้พระีก็แบบนี้วาสุกบาสิกาก็แบบนี้แต่ว่าความหมายอันเดียวคือลกความชั่วทําความดีดำลิออกจากความชั่วมีความชั่วเท่าไหร่นี้หมดมีความดีเท่าไหร่น้อมาด้วยเนคขมะไปเป็นแบบฉบับเป็นสมมุปัญญัติถ้าเป็นปรมัตาจั จ, จะไม่ต้องเป็นสมมุปัญญัติอยู่ในตัวเราเลย ทางสี่แพ่งแล้วก็อยู่ในกายในวาจาในใจเอื้อมมือจริงๆเราเห็นไหมแต่หวัน่นไปนไงอารมณ์ไปไงนิพพานไปนไงมันก็อยู่กับเราแทๆ้ๆเอื้อมมือถ้าโลกกัใจได้ร้ายเล่เราร้อนกระวนกระวายทะเลาะว่ า, าเบียดเบียนกันระดับเปรียบกันไม่ต้องรอตายแล้วก็ทุกทันที ตัวเราไม่พอทุกคนอื่นสองคนสามคนทุกไปบทเลยถ้าอยากไปสวรรค์ก็ทำบุญทำทานเรีนความชั่วรับความดีถ้าไปนิพพานก็เหนือเหนือดีหนือชั่ววางเย็นมันอยู่ที่ใจเราไม่ใช่วัตถุสิ่งของอยู่ที่ใจใจก็เลยเป็นใหญ่ฝึกหัดจนเป็นใหญ่ ใหญ่ในเรื่องสิน้นพบสิ้นชาติแล้วยังมีอยู่คนเรียกว่าไม่ใหญ่แล้วยังมียังเป็นอยู่ถือว่าไม่ใหญ่จนเหนือความมีความเป็นอะไรไปนโน่นอิสระแล้ววะเนี่ยแล้วพึกหัดเอาจิตเหล่านี้ไม่ใช่คําพูดเป็นการหัดถ้าไม่ฝึกหัดมันก็ไม่เป็นเพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างในโลกเนี่มีตามีหูมีจมูกปีลิ้นมีกายมีใจ มีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงเป็นวัตถุภายในเป็นวัตถุภายนอกทำให้เกิดทาวรทำให้เกิดประตูต่อกันเชื่อมกันตามันสัมผัสเป็นาวาวรจะเป็นรับประตูอาคัรทุกะเข้ามาหูได้ยินเสียงเป็นประตูอาคัรทุกะเข้ามาหลังนี้จะบอเร่นกายใจเสมอกันตาหูก็ จหมุกเล่นกายใจมันก็มีอะไรที่ลองรับถ้ามีอวิชชาค็ไม่รู้ไปลองรับมันมันก็ไปทางอื่นไปถ้ามีสติมีสัมผัสมีวิชาเข้าไปลองรับก็เป็นความดีไปแม่เรายังสอนใส่พูเจ้าผู้เจ้าก็ไปสภาพเป็นดอกไม้ทุบเทียนได้ในโลกเนี่ยมันทำได้เช่นความทุกข์มันก็เป็นลูกสรเฉียบ แพงเราเราก็เปลี่ยนเป็นตัวไปทุกเป็นดอกไม้ทุกเทียนไปถ้าเราเปลี่ยนได้นี้แม้จะมีอะไรก็ตามถ้าเปลี่ยนที่การไปทําเราหัดตรงนี้โลกมันจะมีลถแบบไหนก็ตามจะมีนินทาเฉินเฉินสศกทุกได้เสียเราก็เปลี่ยนเป็นตัวไม่เป็ น, อ, น, ปป น, นะอะไราาเลยมันรู้เพราะมันเห็น ถูกหลอกแล้วถูกหลอ ก, อกเอคยทุกข์แล้วทุกข์เองเคยหลงเคยทุกข์เคยรั ก, เ ค, กเคยชังแล้วอยู่ในโลกแบบนั้นพอเรามามีสติมันก็ลบออกลบออกลบออ ก, ก, ออกจนไม่มีค่าความทุกข์ไม่มีค่าความสุขไม่มีค่าความโกรธความรักความชังไม่มีค่านี่จะเป็นจีหยาที่สมมติรยัดแสดงออกต่อกันใช่เป็นพระหิตธาธรรมภายนอกสมมติะยัดใช่ภายนอกปรมัติสัจจะ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 เรามองเห็นเป็นตัวแรงมันลุกลุยอาจจะเป็นเครื่องแต่งตัวอะไรต่างๆโลคไม่สวยหน้าตาไม่ดีแต่ว่าลุกลุยเสพสัตตายไกลสวยเขียดคุ้งเหม็นจาาเหม็นข่าวคือไม่ค่อยงามเท่าไหร่อาจีก็เป็นเลยสีมูนีแต่จิตนั้นมุ่งสู่การกุศลไม่มีบาป อันนี้ภายนอกก็ภายในแล้วอัจฉริยธรรมมนุษย์เราเนี่ยเมื่อมีอัจฉตายธรรมเป็นภายในแล้วภายนอกก็งามไปทันทีนุ่งขาวถือเขานุ่งเหลืองห่มเหลืองไหวพระสวดมนต์แผ่เมตตาให้ศีลให้พรมันก็แป่นภายนอกงามไปด้วยถ้างามแต่ภายนอกภายในไม่งามว่ามือถือศากขาถือศีลหลอกกันได้วิธีปฏิบัติของเรามัน กอบจักระวานเพราะเรามีสติมันก็ไปทั้งหมดแล้วพอมาฝึกตรงนี้มันก็ไปกันได้หมดเลยไม่ใช่แต่คุบนอนตะคุบนี้เหมือนท่านสอนว่าเหมือนจับปูเสกกะดง้งไม่ใช่แบบนั้นพูดให้มันยากมันไม่ยากขนาดนั้นพอเรามีสติมันเป็นสายบังเหียนมันเป็นศูนย์รวมมันมาเป็นพวง มาเป็นพวงเลยความดีก็เกิดขึ้นเป็นพวงแล้วความชั่วก็เกิดเป็นพวงไปพร้อมๆกันไปเหมือนแสงสว่างเราจุดน้ำมันจุดตะเกียงแสงสว่างเกิดขึ้นครับก็เมื่อดออกไปใส่น้ำมันก็หมดใส้ตะเกียงก็หมดไปพร้อมๆกันเพราะเรามีสติมันหมดอันที่มันไม่ใช่สติอันที่ไม่ใช่ทุก การที่มันเป็นทุกข์มันหมดไปแล้วเกิดแสงหว่างขึ้นมานี่คืออัศจรรย์ธรรมะคำสอนของพระเจ้าเป็นอัศจรรย์ผู้ปฏิบัติโลย่องลู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรลู้ควรเห็นตามสมควรเจรผู้ปฏิบัติเราจึงมีธรรมในอย่างนี้ไม่ต้องให้โคษณนา เมื่อเราปฏิบัติธรรมเรายกมือสร้างจังหวะเรามีสติมันเป็นการโฆชนาโฆษณาไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่รูปที่เขาขึ้นสไลด์ขึ้นป้ายตามถน น, นทางโฆษณาจริงจริงมันเป็นโคศกคือเอาทมไปฝากเอากุศลให้เห็นให้ละให้รูกเมื่อเรามีสติต้องเห็นเห็นอะไรเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรม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 แต่การเห็นของตามันก็ปลอดภัยจากขั่กแกงน้ําจากห่วงแกเหนียวไม่เขารกขบคงเดินตามถนนทางไปได้ไปไหนก็ถึงไม่ผิดถ้าเรามีตาการแสดงธรรมนะ่ยแสดงคือขี้แจงให้เห็นไม่ใช่คนอื่นขีย้เห็นถ้าเราปฏิบัติภาวนานะ่ยมันแสดงแสดงให้เราเห็นไม่กล้าเอา วันทุกข์จเนี่ยมันจะแดงให้เราเห็นเห็นทุกข์โอ้โธอื่นแล้ววาเห็นความรดับทุกข์โอ้ข้าโจรเข้าไปหาวันเราเห็นงูเนี่ยโอ้โธจงอังมันโชว์โขึ้นทั้งไหนที่ไม่มีงูอะไปทางโ น, โน้นออกไปไหนหรือว่านั่งอยู่ตรงนั้นต้องออกไปหนึ 1, 9, ่งเก้าพนไหมสองเก้าพนไหม ห้าเ้าเออพ้นแล้วพ้นแล้วงูไม่กัดเราแล้วหนีไปยนพ่นไม่อยู่สามอย่างการเห็นงูพิษแม ง, งูไม่กัดเราก็เห็นเราเป็นเรื่องดีหนีออกไปอีกเป็นเรื่นึงพ่นแล้วเป็นเรื่องอันนแล้วมันเอื้อมมือไหมเคยทําอย่างนี้ไหมมันหลงหลเอื้อมมือไหมต้องต่อรองต้องร่องเดียนไข่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 เราติดสัพพังคารังขอสัพพมงคลจงไม่เจานก็เป็นคำว่าให้สิ่ให้ผรนแต่เราต้องรับเอาถ้าให้เราไม่รับมันก็ไม่ได้เพราะอะไรมันเหมือนกับเราไปรับน้ำแก้วของเราที่รับน้ำมันเต็มน้ำอยู่แล้วเราน้าใหม่ใส่ไปันก็ไม่เข้าไปการรักควาชั่วการทำความดีต้องดูตัวเอง หอบอะไรมาเอาความกดมาด้วยเอาเล่ามาด้วยเอาบุหรี่มาด้วยเอาความทุกข์มาด้วยใครจะช่วยเราละ่ะถ้าเรามาช่วยตัวเองเราก็เพียงเป็นเพื่อนกันมีพิธีกรรมมีรูปแบบใครก็ดีใครก็เหมืนกันหอบไปติดมาเพราะใบจุ่มอะไรมาในรูปก็ดีในเวทนาก็ดี ในสัญญาในสังขารในวิญญาณไ้จุ่มอะไรมันติดมาเป็นแผลเป็นแป้าเป็นสีต่างๆวันทุกข์สนชีวิตเราอเจ้าทุกข์สนมันชอบแปเอความรักชอบแปลความชังชอบไปหาความสุขชอบไปหาความทุกข์ความทุกข์มันก็เอาความชังมันก็เอาความรักก็เอาวันติดไปเลย มันเกิดทเราไม่พอก็ไปเบียดเป็นคนเื่นมันก็ติดเมื่อเรามมดูแล้วโอ้ยเรามีงานการสนุกดีเมื่อไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่เทียนนะเมื่อมีสติแล้วโอ๊ยมันเห็นมันติดอะไรมาเยะติดศิลศาสตร์ติดศักดิ์สิทธิ์ติดลิทธิปฏิหารพอจะมาทำลายตอนนี้โอ้ยมันก็ไม่ยอม ม่ายังเหนียวแน่นเหมือนปิงมันกัดเราเราจะไปดึงมันออกดึงปากหนึ่งมาติดปากหนึ่งจะไปดึงความทุกขอ์ออกจะไปดึงเอาความสุขเข้ามามันไม่ใช่ขี้ยาแบบนั้นหลวงปู่เทียนพูดว่าเราดึงปิงออกจากขาปิงมันกัดขาเราดูดเตือนเราถ้าไปดึงปากหนึ่งมันติดติดปากหนึ่งดึงอีกปากหนึ่งมันติดติดปากหนึ่งไม่ต้องดึง เอายาฉุนเอาน้ำมันกัใส่ยาฉุนบีบลาดลงไปที่ปากปิงปิงก็หลุดออกทันทีเลสมัยทุกวันนี้เขาก็ใช้รับยาน้ำยามียาทาหลวงตาไปอยู่นิวยอร์กสหรัฐเห็นก้อนเห็นสวยๆอยู่ในไใ้วัดวาอารามเขเลยไปนั่งก้อนเห็นนั่งสร้างจังหวะบนก้อนเห็น พิกซ์นีวิ่งเกันไปไม่ได้ไม่ได้โนโนโนโนเขาถือขวดหยาไปฮะขวดน้ำยาอะไรทาขาทาตัวทาไปตามตัวป้องกันเห็บเห็บหวงอันตรายถ้ามากิดแล้วเป็นโรคพิการได้มันอันตรายมากกว่าเห็บหมูแต่ก่อนในบ้านเรามีเห็บหมูเยอะแยะ ประเทศสหรัฐเนี่ยมีควางเยอะมันก็มีเห็บกวางเลยไม่ต้องไปใช่เลยใช้ยำยาถาแล้วก็เห็บก็ไม่ขึ้นคนที่นั่นจะไปไหนเข้าไปจัดแช่มป์จะอะไรก็ต้องมีน้ายาไปเป็ดนี่ทาตัวเข้าไปแล้วก็ชอบไปนอนป่านอนไปเที่ยวต่างๆวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็มีน้ำยาก็ลเลยปลอดภยัยอันนั่นเป็น รูปธรรมแต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีวัตถุที่หนึง่งที่สองเลยมันหลงก็รู้วันทุ ก, ก็รู้อันโุกก็รู้เข้าไปเลยตัวรู้ตัวเดียวตัวรู้จึกตัวตัวเดียวลองใช่กันดูพิสูจน์กันดูจะเป็นยังไงไม่ต้องไปเชื่อเรายกเบอรสร้างใจว่าเราเดินจงกลมอะ่ะเพื่อให้เกิดความรู้ไม่ใช่รูปแบบนะ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 เรายกมือให้รู้สึกตัวเดิจังกรมให้รู้สึกตัวถ้าไม่รู้สึกตัวอย่าไปยกเอาข้างไว้ก่อนเหมือนตีขาะสมัยก่อนตีขาะให้สร้างจังหวะก๊กก๊กแตบางทีไม่มีเสียงดังก๊กก็ยกไปเคลื่อนไหวไปต้องข้างไว้ก่อนตีแล้วจังค่อยจังค่อยเคลื่อนไหวไปนั่นก็มีก๊กก๊กก๊กสี่จังหวะสิบสี่ครั้งให้หัดไปตามเสียง อันนี้ก็มีวันนี้เราไม่ต้องมาใช้เสียงมันเป็นภายนโอกอีกเราจะไปติดก๊โกก๊กหรือก็เอาหลับนิมิตเอาหูเป็นนิมิตไปแล้ ว, ต, ลวต้องเจตนาสร้างขึ้นมาให้มันรู้ให้มันรู้รู้เอารู้เอารู้เอารอาวมรู้ไปไหนล่ะไม่ไปไหนควมรู้เนี่ยมันเป็นปรัมมัถ้ารู้แบบรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่รู้แบบจำถ้ารู้แบบจำไม่เป็นปรัมมัมันเป็นสมมุต ใครก็จําได้สติความเลืกได้สามปัญญาคือความรู้ตัวจํามาแล้วการถาความเฉลิศาสการถาไม่ตกนรกก็เรียนมาตั้งแต่เป็นเด็กเห็นคนเกิดชาติพุกขาหันทางอธิกัรละเอดังกโลมิเห็นคนเจ็บปัญาติทุกขาปัญาติอนันติตาหันทางอาิกระะารละเอดังกโลมิเห็นคนตายมรณะติทุกขงก หลังที่เราสวดเราเรียนตั้งแต่เป็นเด็กไปดูคนเกิดคนแกคนเจ็คนตายเพื่อไม่ตกลกต้องมีเทวทูตสี่อย่างนี่ไปพูดในปากไม่ใช่ไปดูแต่ตาคนโบราณเราไปดูแล้วก็ได้ว่าไม่รู้เรื่องเลยเลยพอมาดูโอ้ยเห็นกับตาทันเตือีเห็นความเกิดเกิดอะไรเกิดสองครั้งเกิดทางรูปจากเหตุปัจจัยพ่อแม่ให้เกิดมาเกิดทาง นามาทำเป็นทุกข์เพราะรูปเรียกว่ากายในกายมีกายแล้วไม่พอแม้ไม่กายในกายมันเป็นภพชาติอยู่ในกายอีกเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายเรียกว่ากายในกายเห็นไหมมันเกิดอ่ะชลชาติปิทุกขาอ้าวมันเกิดเหรอกายเสกว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกคลตัวตนเราเขาอันนี้ก็ไม่ใช่คำพูดเนี่ยมันเป็นความรู้สึก เมื่อรู้สึกเมืก็เห็นโอ้ยมันรู้มันเกิดทุกข์พอกายมันเกิดสุขพอกายอะไรที่มันเกิดสุขเกิดทุกข์พอกายหลายอย่างอาการที่มันเกิดสุขกิดทุกข์พอกายมีมากเหลือเกินนับไม่ถ้วนเป็นความปวดความเมื่อยความหิวความร้อนความหนาวมันเป็นสุขเป็นทุกข์พอกายเห็นสักว่าได้ไหมมีสติเนะ่ยมันเป็นอาการไม่ใช่ภพเพศชาติตรงนั้นเป็นอาการเขา กายถ้าไม่มีอาการแบบนั้นก็ไม่ใช่กายแล้วขอบคุณเขาที่เขารู้จักเก็บรู้จักปวดรู้จักร้อนรู้จักหนาวยุงกัดมันเก็บรู้จักมันเก็บรู้จักอะไรต่างๆมันเป็นสัญญาณภัยของเขาถ้าใช่ไม่ถูกมันก็อันตรายเหมือนกันพระกรรมาฐานเนี่ยระวังนา น, นั่งหลังโขดระงอนะเนํนาพวบผาดได้ต้องพอสมงวรยืนเดินนั่งนอน แต่ว่าจะไปอ่อนแอกันไปนั่งนานๆทนทนเจ้าหน่อยความทนมันจะเข้มแข็งความทนมันจะไม่เราอ่อนแอนะการนั่งงานการเดินนานมันทำให้เราเข้มแข็งเม่อเราเดินทางเป็นนักเดินทางตั้งแต่สมัยก่อนห้าสบหกสิบปีก่อนโน้นไม่มีรถเวลาเดินทางไกลเป็นน้อยกิโลเนี่ยเรเดินไปมันเหนื่อยพอนพักแล้วก่อนนั่งคุกตั้งขัดจงดังหวะ แล้วก็นั่งยองยอ่อไม่มีเก้าอี้ไม่มีขอนไม่มีอะไรนะนั่งเหนื่อยขาแบบนั้นเราไมีทางไปไม่รอดถ้านักเดินทางแบบนั้นนะพอเมื่อยแนละ้วก็นั่งปั๊บลงสันหัวเขา่าพอลุกขึ้นะเดินไม่ออกเลยป่นนะนักเดินทางเขาไม่นั่งเวลาพักเขาก็เดินเดินเข้าสองเข้ากลับไปกลับมาเดินอยู่ในร่มไม้เดินอยู่ในร่มไ ม, ไม้ไม่ต้องไปนั่ง ย่องย่อนั่งแบบไหนพระกลมนั่งย่องย่อให้ยงเหนยนั่งให้เบิกในพอเป็นเราเดินยองกลมเหมือนกันนะพอเหนื่อยปับ๊บนั่งกันเดือมันไม่แข็งแรงเพราะเหนื่อยปับ๊บให้มันขอพักสักหน่อยเราเป็นเจ้าของกายไม่ใช่กายเป็นใหญ่เลยมันเหนื่อยเลยรู้จึกตัวรู้จึกตัวให้มันขอพักเออเดี๋ยวนะเราจะเดินสักหน่อยก่อน ผมขอพักอีกสองเที่้า เ, เดินได้ไหเราจะเดินอยู่เนี่ยปันไปเขาบอกโอ้ยสวยๆกอดกายจังว่กากายไปเช็ดจัดปุกคนโตตนโลห์ขอเพ่อมค่อยใส่หน้าบอใส่หน้างานหนึ่งมาแล้วให้แจ้งไดบัดไห น, ปนไปแห้งานสองต่อเปรีกันหรอค่อยแห้งานที่สองต่อบอแห้งานที่สองได้ลวงหัวงานจะค่อยกดไถไปไถมือรุ่นเนี่ยมันเคืองแล้วงานสอง เมื่อหนึ่งไถสองคาบได้การไถธรรมดาได้สองงานถ้าเราเกินไปสักหน่อยไถยสองคาบได้สามงานเคยทำไหมเนี่าายจำไว้ก่อนเราทาแบบน้ใมันข้ามไป ก, ก่อนข้ามเวทนาไปก่อนอย่าให้เวทนาเป็นใหญ่อยให้สุขเป็นใหญ่่าให้ทุกข์เป็นใหญ่เลยๆไปสักหน่อยก่อนเราค่อยไปสักหน่อยก่อนเหนือมันสักหน่อยก่อน ถ้าเราเหนื่อยโอ้ยเป็นแล้วเป็นผู้เป็นแล้วเป็นผู้เหนื่อยเป็นผู้ไม่เหนื่อยเป็นผู้ขยันเป็นผู้ขี้เกียจไม่ใช่นักกรรมฐานแบบนั้นนักกรรมฐานต้องเหนือไปก่อนยกไปก่อนอย่าให้ความเหนื่อยมันใหญ่อย่าให้ความอะไรมันใหญ่เหนือไปก่อนให้มีสติไปก่อนมีสติไปก่อนที่จะเป็นจักวากายสัตวากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขา เวทนาก็บหงกันไปอย่างนี้เวทนาจักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตนตนเราหรอจึงจะมีผลเอื้อมมือเดียวถ้าตนกายไม่เอื้อมมือนะไหลายที่ไหลก็แพ้มันตรง ท, ที่พอมัาง่วงปับหลับตาปีหาว่าปากก็เป็นผู้ง่วงไปแล้วควรขวยที่จะนอนจะหลับไปแล้วลองดูสิให้เห็นให้รู้โอ้มันง่วงเลยเอาอขี้มาง่วงนอนพอไหม ถ้านอนให้พอมันก็ไม่ดีต้องนอนให้พอห้หกชั่วโมงเ็ชั่วโมงคนปฏิบัติธรรมต้องนอนให้พอต้องยืนให้พอต้องเดินให้พอต้องนั่งให้พอดีพอดีปรับอฏิบดีให้พอดีไม่ใช่ไม่กินเลยไม่ใช่แม่เดินเดินนั่งนอนไม่ใช่แบบนั้นต้องนอนให้อิม่มต้องกินให้อิม่มถ้าไม่จะนั่งจะเพียนไปออดีไปกินยาง่วงนอนอีกเขาเพี้ยนไปแล้วไปกินยาแช่ ง, ง่วงเขาเพี้ยนไปแล้ว ไม่ต้องไปอาศัยปัจจัยภายนอกหัดตัวเองนอนพับหลับพับบางทีเราไม่หัดอาศัยให้แมง่วงแล้วจึงนอนถ้าแมง่วงไม่นอนบางทีไปกินกาแฟกินอะไรไปเขาเกิดแมง่วงยาขยันยามา่ายาหมาก็กินเราก็แมง่วงแล้ววันใช่ปัจจัยเรียกว่าพระหีต่าทำภายนอกภายนอกทําอะไรไม่แต่ภายนอกเข้ามหาภายในคืออจิตตาธรรม มาเอาตัวเองเนี่ยสอนตัวเองแช่ตัวเองเรียกว่าฝึกนะเรียกว่าฝึกทำไว้ัยดีแล้วแต่เราไม่ฝึกมันก็แช่ไม่ได้เลยเหมือนเราชื่อหัวชื่อควายซื่อสร้างชื่อหมา嘛คนวัวไม่ได้ฝึกหมาไม่ได้ฝึกมันก็แช่งานไม่ได้ชีวิตของเรากายวิาจารใจถ้าเราไม่ฝึกมันก็ใช่ไม่ได้ต้องฝึกขัดให้มัน่ายนอกภายใน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 กายกับใจเบียดเบียนกันไหมสามัคคีกันไหมเห็นด้วยกันไหมบางทีมันขัดแย้งกันนะความทุกข์ที่ใจกลายเป็นทุกข์ด้วยความทุกข์ที่กายใจเป็นทุกข์ด้วยถ้าเรามีสติเนี่ยว่าจะเป็นกลางสติทํ้งไม่เป็นกลางเกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งกายด้วยทั้งใจด้วยเดี๋ยวนี้ความเป็นธรรมระหว่างกายกับใจเราไม่ค่อยมีบางขาวก็จินไม่ได้นอนไม่ได้ กายเปลี่ยนใจใจเปลี่ยนกายเพราะอะไรเพราะไม่ฝึกหัดถ้าฝึกหัดแล้วมันจะเป็นหนึ่งทันทีเลยเอตทัคขะเป็นหนึ่งเลยทีเดียวเอากายเขคืออะไรกายคือความรู้สึกตัวเอาใจคืออะไรใจคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นอินทรีย์ตัวใหญ่ไม่ใช่ตาใช่หูไม่ใช่จมูกเล่นกายใจนะสติอินทรีย์เนี่ยใหญ่เหมือนหลวงตาพูดไว้ละ สติเหมือนนกอินทรีนี่วรณธรรมเหมือนมแมลงนกอินทรีมันต้องจับมแมลงได้ถ้ า, มาแมลงมันใหญ่กว่านกอินทรีมันก็เปลี่ยนไปได้ถ้าเรายกแปกให้มนันความม่วงนีวรณธรรมเป็นมแมลงอันหนึ่งเลยไม่ให้ความไป ใ, ใหญ่แก่สติให้มแมลงเป็นใหญ่มันก็ไม่ได้เราใช่ผิดประเภทใช้วัตถุผิดประเภท ใช่มีดเอาไปฟันดินแล้วเสียความเป็นมีดใช่จอบไปฟันไม้มันก็เสียความเป็นจอบว่าไม่รู้จากสมมติบัญญัติ ป, ญญตปรมตจสัจักใช่กายใช่ใจเนี่ยไม่ถูกต้องใช่เวทนาไม่ถูกใช่ความงวงเหงาหอนความมารคะปฏิฆะมานาทิฏฐิไม่ถูกต้องก็เลยเพี้ยนไปจนตายไปเลยทุกเรื่องนี้ไปเราจะต้องมาฝึกหัดกันเนี่ยใช่มันถูกเสียเวลามันมง่วงมีสติเป็นใหญ่ใหญ่กัวกลัวม่วง ตรงกันข้ามบรเดีตื่นอยู่ตรงนั้านด้วยถ้าความมั่วของจอนั่้หลับผมรู้สึกตัวทำํำไมตื่นตื่นขณะที่มันม่วงลองดูมันเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ในขณะที่มันทุกข์มันหลงไม่หลงในขณะที่มันหลงมันโกรธไม่โกรธในขณะที่มันโกรธลองดูอัจฉรย์ตรงนี้นะเอื้อ ม, มือจริงๆธรรมะเน่ยเพราะฉะนั้นเนีสิ่งเหล่านี้เราทําได้เด็ดขาดเลยไม่ต้องอ้อนวอนเลยนอยู่ในกำมือเรา